จันทิศเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดป่ามะม่วงแขกของท่านพระครูก็ร้อยรอลงไปไม่มีการมานั่งรอคิวตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเช่นแต่ก่อนทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะพวกเขาไม่อาจทานทนต่อกลิ่นที่มาจากแผลของบุรุษวัยหกิบได้ครั้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับอุบัติเหตุตกบันไดาขาหัก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 เก้าถึงสิบฉบับต่อมาก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนท่านต้องขอให้นายสมชายกับอาจารย์ชิดมาช่วยตอบคนทั้งสองต่างยินดีปรีดาที่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านส่วนนายขุนทองไม่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้ท่านเจ้าของกุฏิให้เหตุผลว่าเจ้าหมอหนี่มันปากสว่าง เดี๋ยวก็ได้เอาความลับของเขาไปเปิดเผยเสียชื่อวัดป่ามะม่วงหมดเช้าวันที่ห้ามีนาคมหลังจากรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์ชิดกับนายสมชายก็ขึ้นไปช่วยงานท่านพระครูเป็นวันที่สองส่วนนายขุนทองก็รับหน้าที่เก็บล้างถ้วยชามลามไหและทำความสะอาดกุฏิชั้นล่าง ทำงานเสร็จก็จับเจ้ามีเจ้าโฮมและเจ้าขาวมาอาบน้าอาบท่าแถมโรยแป้งฝุ่นให้เสร็จสับเป็นแป้งยี่ห้อเดียวและกระป๋องเดียวกับที่ตัวเขาใช้แม้ตัวเองจะอาบน้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นแต่สำหรับเจ้าสุนัขสามตัวนี้เขาอาบน้ำโรยแป้งให้มันอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นเมื่อขึ้นไปถึง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 กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงผมชื่อเด็กชายหันกล้านามสกุลบุญเสริมส่งอายุ14ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นมศ .2 ผมไม่เคยรู้จักหลวงตามาก่อนแต่คุณลุงข้างบ้านเขารู้จักและให้ที่อยู่ผมมาผมจึงเขียนมาขอความเมตตาให้ช่วยแก้ปัญหาให้ผมด้วยผมอยู่กับแม่สองคนครับ แม่ผมอายุ36ปีแม่บอกว่าพ่อทิ้งเราไปตั้งแต่ผมยังแบบบอและผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตั้งแต่จำความได้แม่ไม่ยอมบอกว่าพ่อผมชื่ออะไรอยู่ที่ไหนแม่นามสกุลที่ผมใช้อยู่ก็เป็นนามสกุลของแม่ผมจึงไม่มีโอกาสได้รู้จักพ่อเลยผมพยายามสืบถามจากเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครให้ความกระจ่างแก่ผม จนผมหมดหวังที่จะได้พบพอ่อผมอยู่กับแม่สองคนก็มีความสุขตามอัตภาพแม่ทำงานบริษัทเงินเดือนสองพันบาทก็มากพอสมควรสำหรับเราสองคนแม่ลูกมาเมื่อต้นปีที่แล้วแม่เริ่มประพฤติตัวเหลวไหลด้วยการกลับบ้านดึกทุกคืนและมีกลิ่นเหล้าติดตัวมาด้วยหนักเข้าก็เมาแอมาเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกวัน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 มารบกวนหลวงตาให้ช่วยแนะนำผมด้วยว่าผมจะสอนแม่อย่างไรดีจึงจะทำให้เขาเกิดความสำนึกและกลับตัวเป็นคนดีเหมือนแต่ก่อนขอหลวงตาโปรดตอบผมด้วยผมจะรอคำตอบพร้อมกันนี้ผมได้ส่งซองติดแตมป์มาด้วยครับน้ำมศการมาด้วยความเคารพอย่างสูงหารกล้าบุญเสริมส่งปอลอผมเคยเป็นเด็กเรียนดี สอบได้ไม่เคยต่ำกว่า 80% แต่เดี๋ยวนี้ผมกลายเป็นคนคิดมากการเรียนตกต่ำลงและคงจะสอบตกถ้าแม่ยังเป็นอย่างนี้น่าสงสารแกนกครับอาจารย์ชิดเอ่ยเมื่ออ่านจบคนเราก็มีกรรมต่างๆกันไปตัวเองทำตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดี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 ทำแต่กรรมชั่วอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีใครทำแต่กรรมดีอย่างเดียวหากจะทำดีบ้างทำชั่วบ้างคละเคล้ากันไปเว้นแต่คนที่เป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นจึงจะทำแต่กรรมดีอย่างเดียวไม่ทำกรรมชั่วเลยใช่ไหมครับนายสมชายถามนั่นเป็นความเข้าใจผิดของเธอพระอาหารหันต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 จากสังสารวัตรแล้วจึงไม่ต้องเวียน่ายอยู่ในสงสารสาคอเชกเช่นปุถุชนทั้งหลายท่านพระครูอธิบายทั้งที่รู้ว่าคนถามไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจกลับเป็นอาจารย์ชิดผู้ซึ่งมิได้ถามยังคงใจสงสัยอะไรอีกหรือเปล่าฉันให้โอกาสซักถาม มีครับแต่คงจะไม่ถามเพราะที่หลวงพ่ออธิบายมา น, นั้นผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไม่อยากให้หลวงพ่อต้องเป่าปีให้ควายฟังครับชายหนุ่มว่าก็ดีที่รู้ตัวแต่คำถามของเธอก็ไม่ใช่จะไม่มีประโยชน์เส้นเลยเพราะคนที่เข้าใจก็มีอยู่หลวงพ่อหมายถึงอาจารย์หรือครับก็จะมีใครเส อ, อีกล่ะ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 อายุ14ก็สวดส5ห้าจบบอกหลวงตาให้สวดทุกคืนเสร็จแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แม่เขาปฏิบัติส ม, ม่ำเสมอจนจิตถึงขั้นเมื่อนั้นแม่เขาก็จะกลับตัวได้เองแต่ถ้าไม่ทำตามหลวงตาก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไง บอกเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันอาจารย์ชิดจัด ก, การเขียนตามที่ท่านพระครูบอกนายสมชายหยิบแผ่นปลิวบทสวดมนต์พับใส่ซองลงไปกอ่อนเมื่ออาจารย์ชิดเขียนเสร็จท่านพระครูให้เขาอ่านทวนให้ฟังอีกครั้งแล้วท่านจึงลงนามจากนั้นนายสมชายก็จะพับจดหมายใส่ซองปิดผนึกฉบับที่สองมาจาก นางนนสรีจันทร์กรับริบเขียนเล่ามาว่าหนูมาที่วัดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมแต่ลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่องดรับแขกหนึ่งเดือนเพื่อพักรักษาตัวเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุตกบันไดแต่หนูคงรอมไม่ได้เพราะมีเรื่องร้อนใจมากจึงเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาหลวงพ่อค่ะปัญหาของหนูมีดังนี้คือเมื่อประมาณปีที่แล้ว หนูได้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งเรารู้จักกันที่วัดแห่งหนึ่งเข้ามาทำบุญเช่นเดียวกับหนูผู้หญิงคนนี้ชื่อสุทธาวดีเป็นคนสวยน่ารักพูดจาไพเราะเราก็คบกันมาเรื่อยๆเพราะหนูเห็นเขาเป็นคนดีและชอบทําบุญทําทานเพื่อนๆของเขาได้มาเตือนหนูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่าไปคบหนูก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อว่า ตัวหนูเองคงดูคนไม่ผิดแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือสุทาวดีเขาไม่ค่อยมีเพื่อนดังนั้นเขาจึงมาสนิทกับหนูอยู่มาวันหนึ่งก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาที่วัดและมาเล่าให้เจ้าอาวาสฟังว่าผู้หญิงคนที่ชื่อสุทาวดีได้เที่ยวไปพูดกับคนอื่นๆว่าเจ้าอาวาสมีความสัมพันธ์ชันชู้สาวกับหนูเจ้าอาวาท่านโกรธมาก จะให้หนูไปตามเพื่อนคนนี้มาพูดต่อนหน้าท่านและสุภาพสตรีผู้นั้นซึ่งยินดีจะเป็นพยานให้หนูได้นำเรื่องมาเล่าให้สามีฟังสามีบอกว่าคนเช่นนี้เป็นคนผ่านฉะนั้นไม่ต้องไปคบหาสมาคมแล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงอะไรกับเขาเพราะคนผ่านย่อมไม่ยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องเป็นการเสียเวลาเปล่าหนูไม่ทราบว่าจะเชื่อใครดี เจ้าอาวาสหรือสามีจึงคิดถึงหลวงพ่อและมั่นใจว่าหลวงพ่อจะช่วยแก้ปัญหาให้หนูได้ค่ะหนูขอสาบานว่าไม่เคยคิดสกปรกลามกอย่างที่ผู้หญิงคนนี้กล่าวหาหนูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเขาใส่ร้ายหนูได้ทั้งที่ไม่มีมูลความจริงเวลาไปวัดหนูก็ไปกับเขาทุกครั้งเพราะตอนหลังๆเขาน่าสงสารมากสามีก็ขออย่า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 หนูไม่ทําแน่นอนค่ะขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยตอบหนูด่วนนะคะหนูควรจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรพร้อมจดหมายนี้หนูได้แนบซองติดสแตมป์และจ่าหน้าซองถึงตัวเองมาด้วยค่ะขอกราบขอพระคุณลุงหน้าค่ะอาจารย์ชิตอ่านจบท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าคนทุกวันนี้ ใจบาปหยาบช้าจังเลยนโยมแค่พระไม่ให้ยืมเงินก็ลงทุนใส่ร้ายป้ายสีไม่กลัวบาปกลัวกรรมหลวงพ่อจะให้ตอบเขาว่าอย่างไรครับบอกให้ทำตามที่สามีเขาแนะนำนั่นแหละโยมเห็นหรื อ, อยังว่าโทษของการครบคนผ่านนั้นเป็นอย่างไร ไม่งั้นพระพุทธองค์จะทรงสอนหรือว่าอเศว น, นาจะพาลานังปันธิตานันจะเสว น, นาไม่ครบคนผ่านครบบัณฑิตนี้ปรากฏอยู่ในมงคลละสูตรซึ่งบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างพากันถกเถียงกันว่าอะไรเป็นมงคล เพียงกันอยู่สิบสองปีก็ยังหาข้อยุติไม่ได้จึงพากันมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลถามพระพุทธองค์ได้ตรัสมงคล38ประการดังนี้คือไม่คบคนผ่านหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่ง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 สงเคราะห์พัญญาหนึ่งการงานไม่ข้างค้างหนึ่งบำเพ็ญทานหนึ่งประพฤติธรรมหนึ่งสงเคราะห์ญาติหนึ่งประกอบการงานที่ไม่มีโทษหนึ่งเว้นจากความชั่วหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งมีสัมมาคารวะหนึ่ง อ่อนน้มทำตนหนึ่งสันโดษหนึ่งกตันยูหนึ่งฟังธรรมตามการหนึ่งมีความอดทนหนึ่งเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหนึ่งพบเห็นสมณะหนึ่งสนธนารมตามการหนึ่งมีความเพียรเผากิเลตหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์หนึ่ง เห็นอริยสัตว์หนึ่งทำพระนิพพานให้แจ้งหนึ่งจิตไม่วันไหวในโลกธรรมหนึ่งจิตไม่เศร้าโศกหนึ่งจิตปราศจากกิเลสหนึ่งจิตกเกษมหนึ่งทั้งสามสิบแปดประการนี้จัดเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลก็คือ สิ่งที่ทำให้มีโชคดีหรือธรรมะอันามาซึ่งความสุขความเจริญเมือนเวลาที่พระท่านสวดในงานมงคลเช่นงานแต่งงานงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ท่านมักจะสวดมงคล38ประการนี้ใช่ไหมครับถูกแล้วโยมแต่ถ้าว่ากันตามข้อเท็จจริงแล้วมงคล น, นั้น ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะให้แก่ใครเช่นไม่ใช่สิ่งที่พระท่านจะนำมาให้ญาติโยมเพราะไม่ใช่สิ่งของที่จะนำมาหยิบยื่นให้กันและกันแต่มงคลจะเกิดขึ้นได้บุคคลนั้นๆต้องสร้างเองทำเองเช่นเดียวกับการทำกรรมเราทำกรรมแทนกันไม่ได้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 รือโยงคิดว่ายังไงผมก็คิดเหมือนหลวงพ่อครับบุรุษสูงวัยคล้อยตามดีแล้วเอาละทีนี้ก็ตอบจดหมายโยมนนทีเขาได้แล้วตอบอย่างที่อาตมาแนะนำนั่นแหละต้องเขียนมงคล38ลงไปด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ทิดถาม หากต้องเขียนเขาก็คงต้องให้ท่านทวนให้ใหม่ทีละข้อเพราะไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมดไม่ต้องเอาเฉพาะสองข้อแรกเท่านั้นแล้วลอกโอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตวัดเทพสิรินทราวาสลงไปด้วยสมชายเธอไปหยิบรูปท่านเจ้าคุณนรรัตมาให้อาจารย์เขาด้วย นายสมชายลุกขึ้นไปหยิบภาพถ่ายซึ่งวางอยู่บนหิ้งพระมาส่งให้อาจารย์ชิดเป็นภาพของภิกษุร่างผอมบางนั่งพับเพียบอยู่กลางใบโพใต้ภาพมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านมีความยาวถึงสิบสามบรรทัดแล้วลงนามเนารารัตไว้ใต้ข้อความนั้นลอกไปทั้งหมดนี่แหละ บอกโยมนนศสีเขาว่าเมื่ออ่านแล้วก็นำไปให้เจ้าอาวาสท่านอ่านด้วยท่านจะได้หายโกรธโยมคนนั้นแล้วก็เลิกล้มความคิดที่จะเรียกเขามาต่อว่าอันที่จริงโยมคนนั้นแก่คิดสั้นนะถ้าแกทำดีกับเจ้าอาวาสและโยมนนศสีอีกหน่อยกิจการค้าของแก่ ก็จะดีขึ้นเพราะอำนาจของบุญกุศลแต่ในเมื่อแกมาทำอย่างนี้แกก็ไม่กล้ามาวัดอีกก็เลยหมดโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเขาเรียกว่าฆ่าตัวเองทางอ้อมเอาละโยมลอกโอวาทของท่านเจ้าคุณนารัฐลงไปก่อนแล้วค่อยตอบจดหมายทีหลังเสร็จแล้ว จะได้ให้ในสมชายก็านาไปไว้บนหิ่งพระตามเดิมบุรุษสูงอายุจึงลงมือลอกข้อความนั้นลงในแผ่นกระดาษโอวาทของท่านเจ้าขุนนรรัตมีใจความดังนี้คนเราเมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสันเสริญก็มีนินทา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 พยายามสงบกายสงบวาจาสงบใจจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าเปล่านอรรัตลอกเสร็จแล้วนายสมชายจึงนำภาพถ่ายนั้นไปวางไว้ที่เดิมอาจารย์ชิดจัดการตอบจดหมายแล้วอ่านให้ท่านประครูฟังเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนลงนามจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายสมชายที่จะพับใส่ซองและปิดผนึกฉบับที่สมเป็นของนายทหารยศพันเอกเขียนมาห้าหน้ากระดาษฟรุสแกปแถมลายมือก็ขยุกขยิกยุ่งเหยิงพอๆกับใจความในจดหมายซึ่งเขียนวกไปวนมาบ่งบอกถึงสภาวะทางจิตใจของเจ้าของในขณะที่เขียน กว่าจะอ่านจบทั้งผู้ฟังและผู้อ่านต่างอ่อนเปลี่ยวเพลียแรงไปตามๆกันคนเป็นครือขันนั้นยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจึงรู้สึกเครียดกว่าคนเป็นพระท่านเจ้าของกุฏิมีอันต้องกําหนดเครียดหนอเครียดหนออยู่ชั่วครู่จึงหายเครียดท่านบอกคนเป็นครือขันว่าเอาละ่ะโยมพักได้แล้ว พักสักยี่สิบนาทีจากนั้นให้เดินจงกรมสมสบนาทีนั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันพอดีท่านพูดราวกับรู้ว่าขณะนั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกานาทีอาจารย์ชิดกราบท่านสามครั้งแล้วจึงลงมาข้างล่าง เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาปรากฏว่าเหลืออีกยี่สิบนาทีจะถึงสิบโมงแสดงว่าท่านเจ้าของกุฏิรู้เวลาโดยไม่ต้องใช้นาฬิกา